ลูกคุณทำเรื่องข้ามทูนหนวกแกเมืนะ่อพรแม่แตกใจทำไรขันไฟจะยกสมบัติให้นา น, นี้ต่อไปเมื่อหรืจกว่าจะลูกนั้นจะมาอยู่เป็นคู่กับนาง น, นี้อีกต่อไปก็ยิ่งดีนะลูกนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่ายายทั้งสองนั้นได้เอาเงินมาตามราคาของคนในยุคนั้นรประมาณได้แล้วก็ไปชื่ออาหารหรือใด เ, เจ้บ odo ทยายังที่ได้ยังไม่ร่วมพายังไม่หมดที่เก้าสิบวันเหลืออีกห้าวันที่จะออกพรรษานะที่นี้ขอให้ใครขอที่ไหนก็มาได้หมดแล้วตัวจะความตายจะขอตายเติมหมดกูดหมดเนี่ยที่นี้จึงออกเลยแต่พระประเจติตบ o d ที่เจ้าเจตพระอง์เพราะฉะนั้นขอให้พระควรเจ้าพระองค ที่โคโรทให้บ้างพรบหมดทรัพย์ปัญญาหมดทั้งสองกษัตริยดาพระเจา้าค่ะแม้พระองค์จะไปสู่ที่ไหนตามความชอบใจเถิดดังนั้นข้าควระจะถึงแจกความตายมันวอ ประกานั้นไม่บริโภคหรือกินอาหารถึงเจ็ดวันหรือผลขา น, นั้นร้อนไปถึงเ ท, ว ะ, ทวะสถานการเทวโรคในชั้นดวาริงที่แทนบรรทุกกพมพลที่ละอาจของพ่ะยินทาเทวราชแขนกระด้างเพราะเหตุอาภัยแงใครที่มีมุนทุพรรณอันใหญ่หรือเป็นเหตุประการใดนักนี้พระจอมไตรโรคนาศาตระดายจา์เห็นข้าสู่บริธิพานแล้วใครเห็นหนอะบทวน คะแก้มโดมในพระแนนทั้งสองข้างใช่หัวพระอินทราอมรินทร์จินเทวราชมองดูจักรวาลโลคหรือมันจะโลคปายหรือมาผานถึงสัตว์ปานสัตว์ป่าหรือทีรสารมนุษย์ทุกเพศทวย ไ, ไม่เห็นใทยอีกฟองเลยเห็นแก่ทุกาตาคนเดียวที่ขายลูกหลืขายภรรยาเนี่ยนี่เอาเงินมาอุปถัมภ์พระเกศสบรชยาเจ้า ท้างบุญสสกุศนตัดสอบทั้งเจดหลังให้พระบัจเจตอยู่ตามที่ยากจนรับอภัญญาดังนั้นด้วยอนสวเป็นเช่นนี้ถ้ายินทาเทมราชเราผู้เป็นใหญ่จะไม่ช่วยเหลือคนอี่นไม่นานวันก็นจะถึงแจกความตายไปไม่มีประโยชน์ดังนั้นถ้าจะไปช่วยปุกตานี้ให้จงได้บาแล้วลพยินที่มีวัฒนาการเทรองจากคนสันสันตี เป็นชายชราคนแก่ทีนี้ไปสวงในเมตรพระราชนิเวศสถานบ้านเมืองอันตรการตามีทหาร น, นานาประการเอายักษ์อาสีเอาหน้ากอาฟุตใดๆ่ไม้เขาเป็นมนุษย์สร้างบ้านแปลงเมืองถนนข น, นทางเรียบราดด้วยของคำธรรมชาตินี่นะตอนนี้สองทีนี้ประสาทสามหลังหลังเงินที่แล้วด้วยทองคําครังหนึ่งแล้วด้วยแก้ว มาในโย์หลังหนึ่งแล้วด้วยเงินดังนี้สามหลังที่อยู่สามประกอบกระตูดังนั้นจึงไปไท่ถอนปรยาหรือบุตรทั้งสองอันที่ขายไปแล้วอันเป็ทนทาสของเขาเอาทองคำที่มากๆเอาเป็นที่สามวัตไวนอนนี้ไปไช้ใครแล้วจะไม่เอาได้เงินได้พองมากแล้ว เัาตัาง้งแยวที่โสดสงที่บุตรทั้งสองอันที่ไล่กับภรรยานั้นให้เป็นหญิงที่แราน้สันตรงหรือเด็กทั้งสองนั้นเป็นคนที่ใหญ่เตอบโตหรือเติบเท้าพ่อแม่ส4บสี่หรือสิบห้าปีท่านมีปัญญาหรือญาณอันวิจิตนิจนาเห็นสามีของตัวนอนอันใจอยู่สุวรรณอยู่ไม่ได้บริโภคอคาหารเกิดกลางพี่อินดูกุณา ยังไงปรินทาเทบราชไปให้นั่งรอท้าอยู่ที่นี้จะไปเอาสามีของนางกับเป็นผู้เป็นพ่อของเ ด, ดชสองนี้มาให้จงได้ว่าแล้วถือเอาเข้อต้นสองจีบนั้นนะ่ะเดินเข้าไปส่งับถามผู้เห็นว่าอ้าวเป็นอะไรชายทุกกระดาเนี่ยทำไมจึงมานอนที่แอบจิงสุภรมย่ังนี้ เป็นใครหรือรกันใดอย่บอกนะอะไรยังไงไปเจอตายเสียอย่ามาถามถึงเจตเทศไทยข่านี้มันหมดลูกหมดเงียไปแล้วถึงจะตา ย, ยู่วันพรุ่งพรุ่งนี้หรือวันนี้จะจิ้งดีไปแล้วถ้าทุกข์ค่จนหาจนอะไรหมดอะไรบอกมาว่าเงินมไม่อยากบอกแล้วบอกว่าหนีไปทุรของคนแก่ไปที่ไหนไปเลย ไม่ใช่เรื่องของเจ้านะพยินรัตสับถามสักเท่าไรก็กรใเจูดเพราะกับรังออนเทียไปแล้วคนอยู่ถึงหวันนะไม่ได้กินข้าวปลาอาหารคอยแต่ความตายแวันที่เจ็ดเย็นที่พูดมาจากบนสวรรค์เนี่ยพระยิบขอาเต้าเจ้ยวหรือข้าบต้มนั่นยัดเข้าใส่ปากะต้องกินอาหารไม่ตายอะไร้ไนานตายนี่ไม่ดีอาเป็นคนดีดีนะยินดีกว่ า, าผลทานก็ ของของเธอนี่เราจะให้เห็นทีเดียวนะบัดนี้เอาเช่นนีมปากอยู่เนี่ยไม่ไม่อยากกินข้าวต้มไหลแล้วก็น้ําทิพย่นันรถลงไป ท, ทันทีน้ํารำไหลเข้าจมูกช่องจมูกบ้างในช่องบากบา้างข้าวต้มนั้นอร่อยที่ต่อไปหนึ่งครึ่งหนึ่งนะหรือโคมนหนึ่งเท่านั้นจีบหนึ่งเท่านั้นทําให้ปัญญาของตัวนี้มองเห็นในโลกจักรวาลเนี่ยสัตว์ที่เกิดที่ตายสัต ที่ทนทุกอะไรรู้หมดให้จะพูดอยู่ที่ไหนก็รูปได้โสดทิพย์อีกเ่ด้วยร่างกายกายเป็นทิพัถีนี้แหละความดีความโนดันผลเห็นปัจจุบันเห็นปรานดังนี้ถือว่าเจตนารมดีในภานนะนั้นกับพระยินทาเทราชโสดสงให้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสังรายจักรที่ไปด้วยยานจักรหนี่นลาบโลกจักรวาลรัดมือเดียวหน้าที่หนึ่ง มีมาปรางภัสสัไป ต, วตรวจดูงตาสัตวมีกัดแก้วกัดแก้วอ น, นั้นที่ท่านเสี้ยมีดวงอยู่กลางเป็นของทิพย์จะไปจะเอาเงินเอาทองหรือแก้วพุึกที่ไหนก็ได้เอามาเป็นขาดแยมมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทุกชาติทุกภาษานี้ไงชายทุกตากับภรรยาสองคนมีใจร่วมรักทักดีด้วยกันอันนี้ยังมีอยูนายกใจพี่บอกวันไม่เหลเห็น เหตุนี่พระเยน็นโลเล่พอมไม่สู้ไหวเชื่อเนี่ยในขนธรร ม, มหรือขนฐานไม่นําทยยกไทยยุการให้เขาเอาบอุ่นไปด้วยทานไปยี่งมเยี่ยสนะมันเป็นอย่างไรอ่ะประสงค์นั้นยังตามเอียงหรือยังที่ไม่บริสุทธิ์ก็เป็นที่น่าสงสัยของญาติโยมไม่ช่น้อยจริงจังนะ นี่แนหะอ่ะถ้ามันมีแล้วมันกน็ไม่เกิดหรือเกิดแต่ก็น้อยเหมือนกันืออาศัยบ่าศักดา์ึ่ะที่วางเรียมใสสูสงสดุดไม่มีใดๆที่จับประยุกต์ไม่ได้พวกเราถึงทานทำการขดสนใดๆว่าตัวศักดาแต่ไม่ทำเหมือนประิะนั่นันๆที่ทำมาแล้ว ได้รับมรดกมีแต่หลายเรื่องเรื่องแต่น้พ่อน้ำไหครับน้ำเนี่นเไไ้เอาก็ได้อ่าม า, ามันดีนะน้ำบริสุทธิ์นะ กันนับ่